มะกัลยาณมิตรตขาถาพระพุทธเจ้าทรงเป็นยอดกัลยาณมิตรผู้ใดอาศัยพระพุทธเจ้าคืออริยมรรคมีองค์แปดเป็นกัลยาณมิตรแล้วผู้นั้นย่อมพ้นจากทุกข์ทั้งปวงได้พระอนน์ได้กล่าวคำนี้กับพระผู้มีพระภาคเจ้าว่าข้าแต่ พระองค์ผู้เจริญความเป็นผู้มีมิตร ด, ดีความมีสหายดีความมีเพื่อนผู้แวดล้อมดีนี้เป็นครึ่งหนึ่งของพรหมจรรย์เมื่อพระอานอนุ์กล่าวอย่างนี้แล้วพระผู้มีพระพาคเจ้าได้ตัดกับพระอาหนุ์ว่าพระนนทูลผู้เจ้าว่าความเป็นผู้มีมิตร ด, ดีมีสหายดีคือกลยนานมิตร เป็นครึ่งหนึ่งของพรหมจรรย์แต่ผู้เจ้าตัดบอกพานนท์ว่าดูก่อนอานน์เธออย่ากล่าวอย่างนั้นดูก่อนอานน์ความเป็นผู้มีมิตร ด, ดีมีสหายดีความมีเพื่อนผู้แวดล้อมดีนี้เป็นทั้งหมดทั้งสิ้นของพรหมจรรย์ไม่ใช่ครึ่งหนึ่ง เป็นทั้งหมดของพรอมจรรย์ทีเดียวดูก่อนอานนุนพุทธบริษัทผู้มีมิตร ด, ดีมีสหายดีมีเพื่อนผู้แวดล้อมดีย่อมเจริญอริยมัติมีองค์แปนเพราะฉะนั้นถ้าเรามีมิตรเลวสหายเลวมีแต่ทุกข์้นล้วน ถ้ามีมิตร ด, ดีสหายดีเป็นทั้งหมดของพรหมจรรย์แปลว่าถ้ามีมิตรเลวสหายเลวนี่ก็คือก็คือทั้งหมดเหมือนกันแต่อีกฝั่งหนึ่งแต่ความว่ามิตร ด, ดีสหายดีเนี่ยเราจะไปนึกถึงคนใกล้ชิดคนที่ชักชวนกันไปคอสคนเนี้ยคำว่ากัลยาณมิตรของเราตอนเนี้ยเพื่อนๆพนที่ชักชวนกันสามีภรรยาแฟนที่เครือกูลกันมันจะมองตรงนี้เด่นขึ้นมาเลย แต่ลืมไปว่ากัลยาณมิตรที่แท้จริงคือพระพุทธเจ้าผู้ที่ชวนท่านไปคอร์สไปเจอใครดีเขาก็ว่าดีเขาก็ชวนท่านไปแต่ดีของเขานะซึ่งไม่รู้ว่าสัมมาทิฐิหรือมิจฉาทิฐิวันนี้มีผู้ที่มีกัลยาณมิตรมิตรดีสหายดีที่ว่าดีพาไปสํานักนู่นสํานักนี้ที่เป็นมิจฉาทิฐิก็มากแต่เราก็รู้สึกว่าเพื่อนคนนั้นเป็นกัลยาณมิตร เพราะฉะนั้นกันลายาณมิตรจึงมีส่วนเสี่ยงอยู่มากเพราะยังมีความเป็นกลัวเยอะถ้ากลชอบกลูว่าดีสำนักนี้ก็พาเพื่อนไปด้วยนะเพราะฉะนั้นกันลายาณมิตรตรงนี้ยังแกว่งไปแกว่งมาอาจจะพาไปเป็นมิจฉาก็ได้ถูกไหมครับต้องยอมรับความจริงเพราะฉะนั้นกันลายาณมิตรที่แท้จริงคือพระพุทธเจ้าเมื่อกี้เราสวดพุดทธังสารนังคัตฉามิ มีพระพุทธเจ้าเป็นสารณะเพราะฉะนั้นเดินทางไม่ผิดวันนี้อาจจะยังไม่เห็นตามที่ท่านพูดแต่ด้วยความศรัทธาแล้วก็เชื่อมั่นในปัญญาพระปัญญาที่คุณจึงเดินตามไปก่อนแล้ววันหนึ่งเพื่อตัดสู้ขึ้นมาก็จึงรู้ว่าโอ้พระมหากรุณาที่คุณของท่านที่ตัดสู้แล้วก็นํามาบอกสอนสัตว์โลกแล้วก็ได้คนถูกตามตรงนี้มีพระพุทธเจ้าเป็นกาลยานมิตร พระเจ้าก็บอกเลยว่าการมีตถาคตหรือผู้เจ้าเป็นกัลยะาณมิตรก็คือมีอริยมรรคมีองค์แปดนั่นเองนะท่านที่ใส่เสื้อมคานุกานี่ก็ชัดเจนผู้เดินตามมรรคนะครับใครไม่มีก็ไปหาไว้ <c oughs> ช่วยกันขายเลยเพราะเขาบอกว่ารายได้สร้างศูนย์ปฏิบัติธรรม <c oughs> ไม่รู้ศูนย์ไหนไม่รู้ย่อมกระทาซึ่งอริยมรรค มีแปดให้มากได้อย่างนี้แลดูก่อนอานนุนสัตว์ทั้งหลายเหล่าใดได้อาศัยเราคือพระพุทธเจ้าเป็นกัลยาณมิตรแล้วสัตว์เห็นไหมครับสัตว์ทั้งหลายเหล่าใดเราเป็นสัตว์ไหมครับ <laughs> อย่าไปยักหน้าเลยเราสัตว์ทั้งหลาย ผู้มีความเกิดเป็นธรรมดาย่อมหลุดพ้นจากความเกิดเรามีความเกิดเป็นธรรมดาไหมครับหรือเราเริ่มเห็นแล้วว่าความเกิดเป็นทุกข์เราจะออกจากเกิดแล้วนะเพราะฉะนั้นเมื่อเดินตามมรรคสัตว์ทั้งหลายผู้มีความเกิดเป็นธรรมดาจะพ้นไปจากความเกิดมั่นใจได้นะครับได้สัตว์ทั้งหลายผู้มีความแก่เป็นธรรมดา ย่อมหลุดพ้นจากความแก่ได้ผมเป็นจิตโง่ปุ๊กเป็นขันเป็นร่างกายและจิตใจเป็นสังขารวันหนึ่งปุ๊กแก่ไหมป๊อกแก่หรือวันนี้แก่แล้ววันหนึ่งปุ๊กต้องแก่นะต้องแก่ลงเรื่อยๆแต่ถ้าจิตโง่ไม่ยึดขันเนี่ย ขึ้นมาเนี่ยไม่ดําริขันเนี่ยขึ้นมาเนี่ยมันจะมีใครแก่ไหมเนี่ยท่านรู้สึกว่าต้นไอ้ลีลาวดีเนี่ยมันแก่ไหมหอืมเพราะท่านไม่ได้ดําริตริตึกเกี่ยวกับไอ้ลีลาวดีนี้ขึ้นมาเลยแล้วท่านก็ไม่ได้เอาลีลาวดีมาเป็นเราเป็นของเราเป็นอัตตาของเราเลยลีลาวดีมันจะเป็นยังไงมันก็เป็นของมันอย่างนั้นแหละ มันจะตายก็ไม่ได้รู้สึกเสียอกเสียใจอะไรแต่ถ้า <c oughs> <c oughs> ยิ้มตอไปก่อน <c oughs> แต่ถ้าปุ๊ก <c oughs> แกเนี่ยถ้าไม่ดำริปุ๊กขึ้นมาเหมือนกับต้นลีลาวดีเนี่ยมันจะมีใครแก่เหรอมันก็เป็นไปตามธรรมชาติของมัน แล้วมันจะมีใครแก่นึกออกก็ยังว่าทําไมหลวงพ่อเอี้ยนนั่งในรถแล้วก็เห็นคนแก่เดินแล้วบอกว่าคนแก่นี่ทุกข์นะแต่ถ้าเขาไม่รู้ว่าเขาแก่เขาไม่ทุกข์หรอกลองไปดูปฏิจจสมุปบาทดีๆนะถ้าสังขารไม่ปรุงขึ้นมาเป็นของกูเนี่ยวิญญาณจะไม่เกิดนะเมื่อวิญญาณนั้นไม่เกิดเนี่ยไม่มีอารมณ์ขึ้นมากับขันเมื่อวิญญาณไม่เกิดนามรูปไม่เกิดนะอ้าวแล้วเนี่ย มันเกิดมาแล้วแต่ไม่ดำริขึ้นมาเป็นของเรานามรูปจะดับนั่งฟังผมเนี่ยรู้สึกว่าตัวเองแก่ไหมเพราะมันไม่เข้าไปดำริติตรึกเลยนึกออกไหมเมื่อไม่มีการดำริติตรึกสิ่งนั้นจึงไม่มีอยู่แล้วแก่อยู่ที่ไหนแก่อยู่ในใจแล้วกายอะ่ะมันเป็นของมันโดยธรรมชาติอยู่แล้ว เมื่อมันไม่เอาไอ้นี่ขึ้นมาเป็นอของเราเป็นอัตราของเราเนี่ยมันจึงไม่มีผู้ทุกข์แต่โอเคเราเข้าใจเรื่องของอายุที่มากขึ้นแต่มันไม่ดึงมาเป็นของเรามันจึงไม่เกิดการปรุงแต่งแล้วก็ไม่ทุกข์กับมันมันจะเกิดปัญญาที่เข้าใจสิ่งนี้ได้ไม่มีผู้ทุกข์กับสิ่งเกิดดับอันนี้เพราะฉะนั้นพระเจ้าถึงได้ตรัสว่า ผู้ที่มีความแก่เป็นธรรมดาจะพ้นไปจากความแก่วันที่ท่านปฏิบัติไปจนถึงจุดๆที่ท่านพูดเนี่ยจุดที่จิตตัสรู้ขึ้นมาเนี่ยรู้แจ้งขึ้นมาเนี่ยขันทั้งหลายซึ่งมีสภาพว่างจากตัวตนอยู่แล้วเนี่ยจะถูกปล่อยจากความยึดถือทั้งหมดจิตเอง ที่ไปยึดถือตัวเองจนมายึดถือขันก็จะถูกปล่อยจากความยึดถือทั้งหมดทุกอย่างจะค่อยๆกระทบออกไปแล้วก็ว่างจนหมดไม่มีอะไรที่จะทำให้อะไรเป็นอะไรอีกสัตว์ทั้งหลายผู้ที่มีความเจ็บไข้เป็นธรรมดาย่อมหลุดพ้นจากความเจ็บไข้ได้แปลว่าพระอาหารหันต์ไม่ป่วยเหรอไม่เกี่ยว ความป่วยมันอยู่ที่ขันผมเห็นครูบาอาจารย์หลายองค์เป็นมะเร็งที่ถึงทํากันหมดก็เป็นมะเร็งเจ็บปวดกับการเป็นมะเร็งก็เป็นเวทนามีครั้งหงลวงปู่เล่าหลวงปู่ล่าเล่าไว้ในซีดีบอกว่ามีพระรูปหนึ่งท่านนอนแล้วก็ป่วย แล้วก็คลางเออคือเจ็บเจ็บมากคงเจ็บมากแล้วก็คลางเพราะผ้าป่าสไตล์ผ้าป่าคือไม่หาหมออยู่แล้วใช้สู้ด้วยธรรมโอสรสเนี่ยก็คลางคลางคลางท่านบอกเอา้าทำไมยังคลางอยู่ล่ะ <c oughs> พระองค์นั้นที่นอนอยู่ที่นอนป่วยแล้วก็คลางบอกผู้คลางก็มีอยู่ครับผู้ไม่คลางก็มีอยู่ครับ <c oughs> ก็ฟังดูกันแล้วกันนะแปลเองผู้คลางก็มีอยู่ครับผู้ไม่คลางก็มีอยู่ครับสัตว์ทั้งหลายผู้ที่มีความตายเป็นธรรมดาย่อมหลุดพ้นจากความตายได้อาแล้วท่านไม่ตายเหรอท่านไม่ตาย <laughs> เพราะไม่มีท่านขันน่ะตายปุ๊กก็ไปตามทางของปุ๊ก <laughs> ไม่มีผู้ยึดถือปุ๊กก็ไปตามทางปุ๊กแล้วก็เมื่อไม่มีผู้ยึดถือก็ไม่มีใครสร้างเหตุเกิดที่จะสร้างขันตัวใหม่ขึ้นมาอีกเพราะชําระจนหมดแล้วกลับคืนสู่จิตเดิมแท้สู่ธรรมชาติเดิมแท้ไปแล้วแล้วจะเอาที่ไหนมันไม่มีเชื้อแล้วไม่มีเชื้อก็จบกัดจึงหมดเกิดหมดแก่หมดเจ็บแล้วก็หมดตายจริงๆนะ สัตว์ทั้งหลายผู้ที่มีความโศก ค, ความร่ำไรรำพันความไม่สบายกายความไม่สบายใจความคับแค้นใจเป็นธรรมดาย่อมหลุดพ้นจากความโศก ค, ความร่ำไรรำพันท่านนั่งสมาธิชั่วโมงหนึ่งถ้าเป็นปกติเมื่อก่อนก็จะข่าครวญ พีรีพิไรลำพันนี่ปฏิบัติมาแค่วันที่สองออกจากสมาธิชั่วโมงหนึ่งปับ๊บวางเหมือนไม่เกิดอะไรขึ้นละความพอใจและความไม่พอใจในโลกแบบไวดุดกระพิบตาอุเบคาให้งคงเหลืออยู่วางดับดับดับดับแล้วไหนละพีรีพิไรลำพันนี่ขนาดยังไม่ถึงปลายทางทุกหายไปบานเลย ทุกจา ก, การปรุงแต่งข้ามควรไม่มีเหลือเลยเมื่อก่อนนี้ฝนจะตกฟ้าแลบมันจะกลับได้ไหมเ น, นี่ยคืนนี้เดี๋ยวนี้พอปุ๊บโดนสกัดสกัดสกัดสกัดเงียบหมดเงียบหมดพอไม่ปรุงแล้วอะไรมันจะทุกข์ละพี่รี่ พ, พี่ไลลพพี่ลายลพัน์ก็หายเรียบหมดว่างเดินกลับว่างเลยว่างข้างในคนะวามไม่สบายกาย ความไม่สบายใจความขับแคนใจได้ดังนี้เพราะฉะนั้นผู้ใดอาศัยพระพุทธเจ้าเป็นกาลยานมิตรแล้วย่อมเจริญอริยมรรคมีองปดย่อมกระทําให้มากซึ่งอริยมรรคมีองแปดด้วยเหตุนี้ผู้นั้นย่อมพ้นจากทุกข์ทั้งปวงได้ด้วยอาการ อย่างนี้แหละอะเรากราบพระพุทธองค์เลยนะครับเราได้มีอริยมรรคมีองค์แปดวันนี้ได้ยังมีหนทางเดินออกจากทุกข์อยู่ไม่ได้กราบตามพิธีการนะครับแต่กราบจากหัวใจ